ลั <c oughs> งทำกันทุกวันทุกวันเจ้าหลวงพว่อมหาธสามบัตรก็พูดทุกวันขนะันเช่าก็ไม่ค่อยได้มาบางทีก็นันไม่ได้รังใจร่างกาย ก็จะลุกก็ลุกไม่ขึ้นงั้นหมดสภาพไปบ้างนี่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ว่าได้นะนักปฏิบัติธรรมให้เป็นนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมคือการกระทำไม่ใช่ไปคิด โลภจะเอาไปอย่างนั่นจะเอาอย่างนี้นะไม่เหมือนเราทํา ม, มาในดีนเราเกี่ยวเข้าเราก็แข่งขันจะเอาให้ได้หลายพอนวันหนึ่งเขาได้พอนหนึ่งเราเจอได้สักสองพอนแข่งกันอย่างนี้มันทำได้ เ ร, เราดําน่าเราหมดมันก้ามัดเด่งเราหมดสองมัดที่นี่มันทําได้มันเป็นวัตถุแต่ว่าการปฏิบัติธรรมจะทําแย่านั้นไม่ได้จะไปเอาอะไรมากําหนดจะให้รู้อย่างนั้นจะให้รู้อย่างนี้จเจ้าให้ได้พรรษาสามเดือนถ้าไม่ได้ก็จะสุขาราเพศไป จากนี้ถือว่าไม่ตั้งใจไว้ชอบนะเราก็ทำไปเลยเรื่อยเป็นนักกรรมาฐานมีการกระทำมีที่ตั้งมีสติมีสัมชัญญามีการกระทำอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็สร้างสติกำหนดเปลี่ยนมาเป็นสติได้ นี่คือธรรถ้ามันหลงไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่ใช่นักกระทำไม่ใช่นักกรรมาฐานนะนักกรรมฐานจริงๆเน่เขาจะเปลี่ยนไล่เป็นดีขยันขยันรู้อาเราที่ไม่ใช่ความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้แล้วมันทำได้อันเนี้ยอย่างอื่นทำไม่ได้ใช้หัวมันมันจะรู้โน่นรู้นี่มันไม่รู้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้ที่มันไม่ใช่สติเรามาฝึกสติก่อนเวลานี้เรามาปฏิบัติทำไม่ใช่มาคิดเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบทพัญญายาสามีเอาไว้ก่อนเรามาเจริญสตินะเราเดินยังกรมมันมักจะคิดไป แล้วก็บอกตัวเองว่านี่เราเดินจำกรมเพื่อสร้างสติเพื่อรู้สึกตัวแต่ละก้าวลูสึกตัวลูจึกตัวให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นระเบียบเฉพาะเรื่องไปอย่าทำแบบจับปลาไร้มือมันไม่มั่นใจ แล้วก็เราก็เจริญสติเราก็มั่นใจนะมั่นใจว่ามันรู้ได้จริงๆอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เกิดกับกายกับใจเอาใจเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าสบายสะดวกพอสมควรในการเจริญสตินี่ ไม่ใช่เช่งขืมคำเครียดเร่งเอาบางทีสร้างสติก็เอาสติสติหลงไม่ได้หลงไม่ได้ <c oughs> พัดก็้ไปอยู่ในความคิดไปเลยเอาให้ได้เพ่งจ้อ ง, องก็้าไปหลวงพ่อก็เห็นบางคนหลวงพ่อก็รับผิดชอบไปสอนธรรมะที่ได้ มีสุภาพสติคนหนังสมัยเปิดปฏิบัติธรรมที่วัดโภ๊กเขาเดินยังกลมอยู่ใกล้กติหลวงพ่อค่อยๆเขามาอาศัยหลวงพ่อให้หลวงพ่อสอนเขาหลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อก็เดินดูโบู์วีมันเดินจ้องย่องจ้องจ้อ ง, อง ท, ที่แรกก็เดินช้ า, ชา พอเดินไปเดินไปมันจ่องกับการเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, นจะวิ่งเอาให้ได้พอเดินเร็วเร็วลองขึ้นมาโอ้ยโอ้ ย, อยแล้วพอก็ดูอยู่แล้วแล้วพ่อคิดหัวลอกในใจแล้วพ่อก็บอกแล้วว่ามันผิดปกติพ่อก็เดินไปหาทําไมล่ะใจมันจะขาด นั่นะมันเป็นรายใจมันสะขาดมันเล่งมันจ้องในความรู้จึกตัวหลวงพ่อเขบอกอย่าทำอย่างน้นให้ดูเฉยเฉยมันจะเล่งก็เห็นวันมันจะหย่อนกยมันจะเต็งมันจะเครียดก็เห็นวันรู้จึกตัวรู้สึกตัวเดียดีแล้วนั่นแ่ะมันหลงไปจำลองนั่นก็ดีแล้ว แล้าอย่าพัดกับไปอีกเดินสบายสบายเดินซื้ อ, อให้มีความรู้สึกตัวแมมันไม่รู้สึกตัวก็อย่าไปจับผิดจับถูกตัวเองเป็นคนผิดตัวเองเป็นคนถูกนะให้เห็นจ้ะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปสนุกในความผิดก็มีเหมือนกันสนุกในความทุกข์ก็มีเหมือนกัน มองในแย่ขำขำขำขันสักหน่อยการปฏิบัติธรรมหัวเลาะตัวเองหัวเลาะความคิดตัวเองอย่าไปอยู่ในการปรูงแต่งจนแสดงออกทางกายกรรมวิจีกรรมวโนกรรมาดีว่าไม่ดีสมมติปัญจัตเขาหาความสุข จากการได้ไปเที่ยวเล่นนามิดต่างๆเทอดเทิงที่ไหนไปที่นั่นเขามีความสุขเราก็เทิดเทิงที่ไหนเราไม่ไปเราก็มีความสุขดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเขามีความสุขเราไม่ไปดิศรีตีเป่ากับที่เขาไปว่ามีความสุขเราก็สุขสุขไม่ได้ไป เพลงที่ไหนเขาไปที่นั่นเ ร, เรามีความสุขเรามีความสุขกบเราไม่ได้ไปฟังเพลงกับเขาลําที่ไหนเทิดเดินที่ไหนไปที่นั่นเราไม่ได้ไปเขามีความสุขเหมือนกันนี่เรียกว่าเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีเวลาบางทีเราอาจจะเดินทางไม่มีรถไม่มีเรือก็ไม่เป็นไร บางทีขึ้นนั่งรถเขาไล่เราลงมาจากรถเราก็ไม่เป็นไรเคยถูกเขาไล่ลงรถมาหลายครั้งเหมือนกันเราก็ทีแรกเขาเคยนั่งข้างหน้าพอเราขึ้นไปไปนั่งข้างหน้าคนรถก็บอกว่าให้ไป่งข้างหลังเราก็ไปนั่งข้างหลังเบาสุดท้ายพอนั่งอยู่บนเบาสุดท้ายมันก็ คนกขขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเราประเบียดประเบียดเราเขาก็มาบอกเอาลงข้อลงไปก่อนเดี๋ยวไปเชี่ยวหลังแล้วก็ลงใยเราก็สนุกดีไม่ได้โกรธเขาไม่ได้เครื่องเขาสนุกดีสนุกที่ที่คนอื่นทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นทุกไม่ใช่ไปโกรธไปเครื่องเขา เขาไม่รู้เขาก็อยากได้เงินมากๆากเราก็เสียครึ่งค่าครึ่งราคาแล้วก็ไม่เป็นไรเขาไปเที่ยวหลังบางทีไปจองตั๋วก่อนเขาก็ไม่ให้จองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ เ, เขาเปิดให้คนอื่นจองให้ญาติโยมจองตั๋วเราก็ไปขอจองเขาก็บอกรอก่อนรอก่อนพอดี มันคนมากแล้วก็คิดว่าไปจองพอไปจองก็ว่ะเต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้ก็มีมันการไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์แล้วก็มองดูว่าเออสภาพอย่างนี้มันต้องมีในโลกนี้คนอื่นที่แสดงออกมาเราก็แสดงให้ตัวเราเป็นทุกข์เป็นสุขคนอื่นแสดงให้เราเป็นทุกข์เป็นสุขไม่ใช่เจอไป สแสดงให้เติน เ, เปนทุกข์เป็นสุขเลยให้มีแต่สติสัมปชัญญะมันยังอยู่กับโลกได้แล้วอยู่เหนือโลกได้ก<ม>ารสอนตัวเองการฝึกขัดตนแดงแน่ฝึกหัดเพื่อให้อยู่ในสมบุกสมมืนสมบุก ส, สมบันเหมือนรถ ด, ดีก็วิ่งทางสมบุกสมบืรได้ดี แล้วเขาเรียกว่ารถอะไรถพอใส่วิบากเลยอาจารย์คุณหมอวิบากครูวิบากแต่เมื่อก่อนหลงพ่ออยู่นี่นี่ครูสาครเป็นครูวิบากหลวงพ่อไม่รู้ว่าครูวิบากอะไรนาะน่ย mm hmm. เขามาเป็นครูที่เขามาตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้มาช่วยสอนด้านปลาขาดงเ mm hmm. ขาก็ไม่ได้เป็นครูหรอกแต่ว่าเขามีความรู้ก็มาสอน อสอนโรงเรียนก็มีเราก็ไปช่วยกันเรียนแต่ก่อนเนี mm. ก็อยู่ว่านสวนป่านี่จะไปทำเอาประมาเขาไปตั้งโรงเรียนมันขุดงงก็เลยไปยาาไปอยู่ที่โ น, น่นวิบากซะหน่อยเคยทุกเคยําบากเคยได้สมบังเคยไม่ได้สมบังก็อย่าไปหลงนะ เราก็เหมือนการการปฏิวัติธรรมนี่การปฏิวัติธรรมนี่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่เหมือนอีกวันหนึ่งนะวันนี้มันดีวันพวกนี้ไม่ดีวันเมื่อวานนี้ดีวันนี้ไม่ดีก็มีเหมือนกันก็อย่าไปประเมินเอาความดีความไม่ดีมาเป็นเครื่องทำให้เราได้สะดวกเพราะความดีไม่สะดวกเพราะความไม่ดีสะดวกบันทุกอย่างนั่นแหละ อย่างไรก็ได้เคยทุกข์เคยเดือดร้อนถึงข้าวมันทุกข์้าวเดือดร้อนมันก็ไม่เป็นไรมันก็ ย, ยงคงพันกับเรื่องต่างๆชีวิตเราเรามาฝึกนี่มัน ค, ค่อยลุยๆกับเรืงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจเราเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเป็นผิดเป็นถูกก็มีเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มี อะไรมากมายแล้วก็เห็นแต่เห็นที่ใดนะ่ะเรียนรู้ออามาทำถ้ามันหลงก็ถ้ามันผิดก็อย่าทำผิดซ้ําถ้ามันทุกข์ก็อย่าเป็นทุกข์ซ้ําทุกทีเดียวที่เข้าหลังไม่ต้องทุกข์ถ้าหลงเรื่องใดทีเดียวเข้าหลังไม่ต้องหลงหัดตรงนี้กันหัดตรงนี้กันแม้มันหลงก็นิดจ่อย นิดหน่อยจฉบโฉบช่ยชวยนิดหน่อยไม่หมดตัวกับความหลงไม่หมดตัวกับความทุกข์ไม่หมดตัวกับความทุกข์ไม่หมดตัวกับความสุขอะไรต่างๆ ท, ท, ท, ที่มันเกิดขึ้นกับเราอ๋อก็เพิกไปสนุกสนุกไปอย่าเป็นเรื่องที่ตั้งใจเวลาปฏิบัติธรรมเหมือนกับมันทำยากต้องเดินจงกรมต้องนั่งจ้างจังหวะ หลายๆนะที่หลายๆชั่วโมงฝนตกม็อยู่พากันไปเดินอยู่นน่นลานเห็นคงนน่นเอาอยู่นั้นก็ได้แต่ว่า อ, อย่าไปเอาเป็นเรื่องที่จะต้องทุ่มเทจนไม่พักไม่ผ่อนก็ไม่ดีนะมันก็ทะเลทลัยได้การรีดตัวเเกินไปเหมือนเราบีบข้าวนมจีนข้าวนมเช้นนะ่ หรือลดช่องก็ดีเราบีเพื่อให้มันออกเส้นค่อยๆบี่อให้มันลี่เ่าไปถ้าบีแรงมันก็ออกข้างเงินแตกก็เรียวเฟียนมันแตกก็เสียเวลาไปก็เรามันก็พอดีทุกอย่างไม่ว่าจริงใดล่ะเอาความพอดีเอาความพอดีที่ที่มันถูกต้องที่มันไม่ดักมันไม่เบามันไม่ทุกมันไม่สุ เพื่ความรู้สึกตัวเนะี่ยมันพอดีพอดีกับกายกับใจของเราอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่พอดีให้เกิดความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องมันจะกลายเป็นความพอดีในกายในใจของเราเราหัดชิมลดความรู้สึกตัวหรือว่าลดพระธรรมหัดสดัมผัสทับมีรสชาติกับความรู้สึกตัวให้ดื่มดมสักหน่อย ให้มันจำรสได้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ความหลงตัวเป็นอย่างนี้มันจะต่างกันอยู่เราจึงพยายามไม่ต้องถามใครถ้าได้รสแล้วเช่นอธิบายไม่ได้เช่นหวานเนี่ยอธิบายเรื่องความหวานให้คนฟังถ้าคนไม่เคยกินหวานเนี่ยอธิบายอย่างใดมันก็ไม่เข้าใจ อธิบายความเปรี้ยวให้คนฟังคนไม่เคยกินของเปรี้ยวอธิบายไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องอธิบายสอนให้รู้ไม่ได้แต่เมื่อใดที่เขาไปสัมผัสความหวานความเปรี้ยวเป็นย่างไงเขาก็รู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้น เ, นนเหมือนคนหูหนวกอยู่ในโลกของความหูหนวกเกินมาทั้งชาติไม่ได้เคยได้ยินเสียง เขาไม่เคยได้ยินเสียงเขามาปฏิบัติธรรมที่นี่มาบวชที่นี่ 40-45 วันแล้วก็ฟังธรรมไม่ใช่เอาหูฟังเอาตาดูภาษามือภาษามือมันก็ดีนะในโลกนี้มีภาษาเดียวภาษามือไม่ใช่ไม่เหมือนภาษาพูด ของคนทั้งหลายต่างชาติต่างภาษากันแต่ภาษามือเป็นภาษาเดียวไปได้ทั่วโลกเขาก็เลยสะดวกเขาก็สอนกันแบบภาษามือคำพูดของเราไปเป็นภาษามือเขาก็มีจอซีดีบีซีดีให้คนหูหนวกดูเขาก็รู้ถึงบทบางอย่างเขามีเราร่วมไปกับ ล่ามที่แสดงภาษามือออกไปที่ซีพีซีดีเขาก็ในเราร่วแเ้าก็เข้าใจธรรมะพอสมควรเป็นคนสอนธรรมะอยู่บางบางครั้งบางข่าวพวกเนียพวกหัวหนุ่มเขาจะมาวัดเราอีกพลัไรลาดสุดาเพราะนั้ น, นภาษามือ ไม่ใช่เป็นภาษาพูดภาษาธรรมะไม่ใช่เป็นภาษาอธิบายให้ได้คําตอบให้เข้าใจเข้าใจได้อยู่แต่ว่าต้องต้องเป็นการพบลู้เห็นทั้งลู้ทั้งเห็นด้วยไม่ใช่คิดเเฉยๆลู้เห็นด้วยลู้เห็นด้วยเห็นอะไรเห็นมันผิดเห็นมันถูกรู้ไหมลู้มันผิดลู้วันถูก รูเห็นถ้าพบเห็นมันก็ต่างกันกับรูเห็นมันอยู่การพบเห็นมันใกล้ๆ ก, กับเราถ้ารูเห็นเนี่ยมันไกลอยู่ไม่โอกาสเลือนลางลืมได้อย่าเราเห็นรูเห็นน้ำเนี่ยไม่ลืมดอกชาติในทางชาติไม่ลืมเลยเห็นอนาะการที่เกิดขึ้นบรูกับน้าไม่เลือนดอก ไม่เลื่อมไม่หลงไปกับบาการที่มันเกิดขึ้นกับลูกคนามไม่หลงท่านนี้ถือว่าพบเห็นเป็นการพบเห็นเข้าวิธีปฏิบัติเนี่เราจะได้เกิดการพบเห็นเป็นการพบเห็นมันจึงเป็นเรื่องสบายไม่ต้องไปอธิบายเหมือนหลวงพ่อเตียนไป ศึกษาธรรมะกับอาจารย์มหาสีจันทร์ทำไงท่านไปศึกษาใหม่ๆอายุท่านสี่สิบหปีไปถามกันตั้งแต่คําจนถึงสว่างคุยกันไปคุยกันมาถามธรรมะกันมหาสีจันทร์พูดคำเดียวขึ้นมาว่าโอ้ย จะมาพูดกั น, น่สองวันสองคืนมันก็ไม่เข้าใจเราต้องปฏิบัติเอามันจึงจะเข้าใจหลวงพ่อเทียนก็เอะใจขึ้นมาปฏิบัติมันจึงจะเข้าใจก็เลยหยุดการถามตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมคนสอนก็สอนไปแบบหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็ สอนตัวเองอีกแบบหนึ่งเขาสอนให้บริกรรมว่าตายตายตายอาจารย์หลวงพ่อวันทองเป็นคนสอนมหาชีจัน์เป็นคนให้ปฏิบัติหลวงพ่อวันทองก็ให้บริกรรมว่าตายตายตายหลวงพ่อเทียนก็บริกรรมทำไปตายตายตายทั้งนั่งอยู่ทั้งเคลื่อนไหวมือไปมือมาแต่หลวงพ่อเทียนก็โอ้ยจะมาบริกรรมอยู่นี่มันก็ไม่ได้มีเสถียรไว้ เอาไม่ต้องบริกรรมมาละเอามีสติอะเอากลับมาสร้างสติเอารู้กึกตัวรู้กึกตัวเปลี่ยกนการบริกรรมว่าตายตตา ต, าตามมาบริกรรมภาษามือที่เคลื่อนไหวก็ต ง, ต ง, ต ง, ต ง, ตงตนิ่งเงตงนิ่งตงนิ่งตงนิ่งเียน่บริกรรมไม่ได้ เราพูดแจ้งก็บอกว่าไม่ต้องบริกรรมมันละถ้ามันรู้เฉยๆไม่ต้องว่าติงเน่งติงเน่งภาษาเรานะภาษาไทยก็บากไห่งไหวเน่งไหวเน่งไหวเน่งไหวเน่งภาษาบ้านเรารู้จึกตัวรู้จึกตัวเน่ยไม่ต้องบริกรรมว่ารู้รู้เพาะไม่ต้อว่า ให้รู้สึกตัวที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวไม่ใช่ภาษาพูดผมรู้สึกตัวจริงๆเป็นภาษาที่สัมผัสกับกายไม่ใช่คิดเอาคิดรู้เอาโอสติคือรู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, สกคิดเอาผมรู้ผมรู้อยู่สติไม่ต้องสร้างก็ได้นะ้อหลวงพอนะ่อเนาะบางทีก็มีมีเหมือนกัน ผมรูม้อยู่แล้วสติ App, มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมนั่งรู้นั่งรู้นั่งรู้นั่งรู้มันก็มันใช่อีกหละต้องรู้เป็นปัจจุบันไม่ใช่รู้ตามไปทถะเพื่อเถอเป็นปัจจุบันไม่ใช่รู้แล้วว่าหลงแล้วรู้หลงไปแล้วรู้่ารู้แล้วหลงมาหลงแล้วรู้มั น, นก็มันก็เป็นแต่อดีตเป็น อนาคตอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเลยไม่เกาะตัวแล้วก็ทําให้หลงก่อนจึงรู้หลงก่อนจึงรู้อะไรต่างๆไปซะเพราะจากนั้นเราจึงจําเป็นต้องให้มันเป็นปัจจุบันให้มันรู้ไปพร้อมๆกันมันจะเก่งเป็นการปึกเจริญสติตามความเป็นจริงตามหลัก สติปัฏฐานกายานวิจนาะให้มันเห็นกายเนี่ยให้มันรูปไปพรอมๆกันรูปรูปสั้นๆอย่าไปรูปยาวแม้นเราเจยียกมือแหวกขึ้นมาอากาศเนี่ยก็ต้องอย่าไปรูปตรงที่มันแหวกลงไปให้มันรูปสึกว่ามันเคลื่อนไหวก็ใช้ได้มันลงมาเข่าก็าอย่าไปรูปจนึงมันแหวกละบาดถึงเขา่ามันยาวลงมาเป็นเช่นอย่าไปขีดเส้น กับการสร้างังหวะกับความรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวเหมือนกับเราเคาะเนี่ยเราเคาะเนี่ยพอกพ อ, อกกันเนี่ยเหมือนแต่ไก่อนหลวงพ่อเคยตีเค็กเหมือนกันพอกแต่อาจารย์ทั้งศิล ก, <c oughs> ก, ก, ก็เคยสนเอาเคาะมาตีพอกพอกกัน ก็ก็ก็กบครก็บางทีมันจะชินนะพอไม่ได้ยินเสียงฉิกเมื่อไปเองก็มีเหมือนกันน่ยให้มันเสียงกับฉิกแต่ว่าเอาเป็นเริ่มต้นนิดหน่อยไม่ใช่ตลอดไปการทำอย่างนี้การเริ่มต้นให้มันจับ จังหวะได้บ้างมันไม่ใช่ขีดเช่นหรือดูลมหายใจเนะี่ยหายใจเข้าขีดลงไปตามไปถึงสะดือส่วนกลางของลูกหายใจออกต่ตามไปถึงปลายจมูกขีดเช่นหายใจเข้าตามลมหายออกตามลมขึ้นมาสุดปลายลมสุดปลายลมเข้าออกตามไปอันนั้นก็ไปใชนะ่ดัง หายใจคือลู้เฉยๆลู้สกอยาตามลู้สึกลู world, on, ้สึกลู่สุดตวไม่ต้องบริกรรมลู้เฉยๆลู้สั้นๆลู่ั้นๆลู่งั้นเราเอามือไปเราะกันนะลู้ลูลู่ผมก็เคยสอนฝลังแต่ไม่ไปอยู่หาดใหญ่เหิือนธรมาสตร์คนฝลังเข้ามา ก็มาเห็นเราพลังก็มาบอกเราว่าจะสอนเรานะเราบอกไม่ต้องสอนเราจะให้ทำาังไงเออบอกเนี่ยเออแตกเหมือนกันพลังก็แหนแล้วก็เลยพ่าเดินมาปันี่ยมาเนี่มาเดินเดินเข้าหนังพวกกอมือเข่อแขนเขาเข้าไปอก้าเข้ า, ข า, ข า, ขาไปพฟอมกัน ก็งพ่อมือเนี่เคาะแขนเขาเดินใกล้ๆกันเข้าไปก็ปกปกปกไปเรื่อยเราก็เข้าใจนะโอ้สติมัเป็นอย่างนี้นี่คือสติไม่ใช่ตาไปเป็นเช่นไปอันนั้นไม่ใช่บางทีมันใดจะเครียดเข่งแล้วก็เบื่อหน่าย กลัวขวามเพียนท่อแท้ท่อถอยถ้าเราไปทําแบบนั้นมันหนักเกินไปทําแบบสปาราพกพกรูดูเฉยๆรูซื้อๆรูซื้อๆรูสันๆมันลัดดีอลูยาวๆนะมันเนิรนช้าแล้วก็ทําให้เราอ่อนแอทำให้เราทําให้เราไม่อินทรียไม่เจอก็ถ้าเราลู่ซื่อ มันมีอะไรหลงก็ให้มันหลงมาให้มันผ่านมาได้ความชุกมันผ่านมาได้ถ้ามันเพ่งกันไปเดี๋ยวมันจะเป็นสมถะเมื่อเป็นสมถะออกยาต์พัดเข้าไปอยู่ในความสงบความรู้ออกญากออกยากถ้าจะมาลู่อย่างนี้มันออกไปได้เลยมันต้องไปรู้อยู่นั่นรู้อยู่มันจะบ่อยมันจะเป็นสมถะกรรมฐาน ดีมาดีคือตัวแข็งมีบางคนทาไปทาไปตัวแข็งนั่งตากแดดนั่งตากแดดพูดได้อยู่แต่ว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ <c oughs> เคลื่อนไหวไม่ได้น่วคนอื่นไปพูดเขาก็ก็ไม่ลูกได้ เขามาเรียกมึงพ่อไปมอาพ่อเขอ้าไปก็ไปถามเรื่องอื่นอะยอมมีลูกกี่คนมีลูกหคนคนหนึ่งมันตายเหลืออยู่สี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองคนบวดเป็นเนเน่เป็นลูก คนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่สองจำได้หรือเปล่าล่ะไม่ใช่แต่คนที่สามหรือจําได้เรื่องของฉันฉันก็จําได้โอ้ยหลงไปมากกรมังยมเนี่ยลูกคนที่สามเขว่าลูกคนที่สองเนี่ยท่านพ่อท่านพ่อก็ไม่ยอมก็ว่าคนที่สองคนที่สองโอ้ยยมเข้าใจผิดแล้ว ลูกของโยมคนบวชอยู่นี่เป็นคนที่สามใช่หรเปล่าหลงนะเอาไปมาหลงพ่อไม่ลู่เท่ากับหนูหรอกมันเป็นลูกของหนูเคลื่อนไปมือเลยอ้ามือของห น, หนูมันเคลื่อนไปยังไงก็ลอยออกไปหลังพ่อไม่ลู่หรอกอมือของหนูลูกของหนูเองก็เคลื่อนมือเลยหลูกเข้าลมหน่อยเลยมีหวือนกันมันเพ่งกันไปหนาะ ลองพ่อกาบพ่อใหญ่กาบ้านใกล้กันบ้านป่งป่าล่าไปอยู่กับลูกพ่อที่มเลยสร้างใจวะตอนตีสามตีสี่กอนทาวัดสร้างใจวะตื่นมาก็ะนั่งสร้างใจวะเอาไปมามือวามือมาติดอยู่เนี่ยไม่เห็นมาทำวัดเช้า หลงพ่อคุณว่าโอ้ไม่เป็นไรเราไม่จะกราบแต่คงจะทําความเพียรนะเราทำความเพียรดีพอชัว่วเวลาฉันก็ไม่เห็นมาฉันหลวงพ่อก็ตามไปดูว่าคงไม่สบายหรือมั้งพอตามไปอห็นั่งมองประตูอยู่เนี่ยมามามาอาจารย์อาจา ร, าจารา ย, ย์มาช่วยผมหน่อยมาช่วยผมหน่อย เมื่อผมติดตั้งแต่ทีสามหนองติดนี่มันไม่ออกเลยเ <c oughs> มื่อติดตั้งแต่ทีสามหน่อยมือไม่ออกแค่เม่ตาแล้วก็แล้วตรวจน้ําแล้วก็แล้วไม่กกรู้ว่ากมเนินอะไรอ่าว่าจะไปธรรมัดก็ไม่ได้ไปว่าจะไปฉันก็ไม่ได้ไปมือมันติดอยู่เนี่ยแล้วก็เอาสูตรแบบหลวงพอ่อไาแช่ให้โยมบ้านน้องไผ่มาถามถึงโรกถึงเต้าอ่า ถามไปถามมาหลวงพ่อก็ว่ากันอ่าใครเป็นคนเลี้ยงดูเดี๋เนี่ยอยู่กับลูกสาวเหลือลูกชายลูกสาวลูกเขยเป็นคนดูแลลูกสาวเป็นคนอยู่ด้วยลูกชายก็มีแต่ว่าเขามาอยู่หลวงพ่อก็ตำท่าอ้าวเขาว่าลูกชายเป็นคนมาเลี้ยงก็ใหญ่ลูกสะใภ้มาอยู่กับพ่อใหญ่่ะ คนพระบ้านผงษ์เาบอกของพ่ออยู่เขาบอกอาจาระยานอยู่ไอ้ใช่ลูกสาวมันเป็นคนเลี้ยงลูกเขยเป็นคนดูเสียงไปเถียงมาเอาไปมาเนี่ยมือก็พระกออกมันไม่ถูกหลวงพ่อพูดเลยไม่ถูกเลยหลวงพ่อพูดไปถูกมือก็มือก็อกบเบิ่งเลยอ้าวมือผมออกเพื่ออะไเลยก็ไม่รู้แหละว่ามันออกยังก็ไม่รู้นะที่บางทีมันมันเป็นมันมันตามเกินไปนะมันตามเกินไป เพรนั้นเราก็ทําดูทําดูทำ ด, ทำดูสอนตัวเรานี่แหละบางทีพัดเข้าไปในความเครียดพัดเข้าไปในความลู้พัดเข้าไปในความสุขพัดเข้าไปในความทุกข์ก็มีเหมือนกันนั่นแ่ะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีแล้วถ้าเราเป็นอะไรเราจะได้สอนคนอื่นได้ดีอย่างพ่อในฝึกแบบสมาธิฝึกแบบพุโตเล่นนิมิตทํำความสงบ ก็มีบทเรียนในประสบการณ์เยอะแยะเลยเมื่อใครเป็นมิตรเกิดขึ้นหลวงพอก็รู้มิตร่างตาบ้างมิตรทางหูบ้างมิตรทางจมูกดิ้นกายใจบ้างมีเหมือนกันนะคือทำลายตัวเองอิ่มกินข้าวไม่ต้องกินข้าวก็ได้คือทำลายเองอิ่มสบายไ ม, ไม่เหนยไม่เหนื่อยบางทีมันเกิดที่มิตรกัน นิมิตต่างต า, งตางเห็นรูป อ, อะไรนิมิตสมัยก่อนอาใสนิมิตให้มันบอกสมัยก่อนก็เป็นหมอนะหมอเศรษศาสตร์ก็อัั้งบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้คาถาเพื่อให้มันดีเพื่อไปรักษาคนป่วยจะได้หาย เราไมา่ใช่แต่เปตแต่ปะเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมบริกรรมนั่งพอบริกรรมนั่งอยู่พุทโธพุทโธเ ร, ริ่มต้นพอหายพุทโธแล้วก็สงบพอมันสงบแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาเกิดนิมิตขึ้นมามีคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ดมูมาเข้ามาในบ้าน แล้วก็เดินตาขึ้นนั่นก็มันก็หายไปแล้วก็หลับตาลงอีกเวลาขึ้นไปมันนิมิมตขึ้นมาอีกเล้เดิ น, นก็ไม่เอกสามข้างสามหมนเห็นแต่คนคนเดียวเดินมาที่บ้านแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็มันอะไรพอดีตอนเช้ากินข้าวตอนเช้าเสร็จนั่ง บ้านก็เห็นคนที่เดินมาแะมาหาบางทีมันก็เล่นนิมิตมันเพื่อเอาคําตอบหาทักท้วงไปกับนิมิตก็มีบางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ผิดมันไม่จริงเสมอไปนิมิตเนี่ยเออเนี่ยคนเนี่ยที่มันเดินมาเนี่ยมันมาหาเราตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยมันมาเนี่ยมาเราก็รู้ว่ารู้แล้วคนคนนี้แหละ เราอามาบอกว่าให้ไปดูคนป่วยเราก็ไปมันดีก็ถูกเหมือนกันความรู้สึกนั้นอันที่มันแม่นยำนะอย่าไปถือว่าตัวเองจากจิิทธ์มีฤทธิ์มีเตฏยังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความทุกข์อยู่มันรู้อย่างนั้นจริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการพ้นจากความทุกข์เหมือนการตัดสู้ของพระพุทธเจ้ามันเห็นมันเล่นไป แ้าเป็นตาปากเฉยๆมีบางคนเป็นหมอสยศาสตร์ท้าทายอะไรแม่นยำไม่ถูกก็แม่นก็นึกว่าตัวเองเป็นคนวิเชียวิโสไปออกไปได้ก็แม่นวางทีมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครปีลิดที่ประธานอะไรก็ตามไม่ใช่เป็นการบรรลุธต า, ตามความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสที่ตัวพุทธชีภาวะที่รู้ตื่นออกจากความโลภความกดความหลงไม่มีปัญหาเลยเนี่ยอันนี้เรามาทางเนี่ยไม่ใช่ไปหลงกับนิมิตฤทธิปฏิหารอะไระเราก็ไม่สอนพันสอนให้เป็นนิมิตสอนให้มีสมาธิตัวแข็งสอนง่ายอะไรคเขัาไปตวัตวพุทโธหายใจเข้าเข้าไปหายใจออกเข้าไปตามลงไปสงบเลย นั่งคอตกใจนั่นปล่อยเท่งไปนานสองชั่วโมงสาชั่วโมงมันแล้วความสงบก็อยู่กับติดเหมือนกันนะพวกติดนี่มิติดความสงบเนี่ยมีเยอะแยะๆเหมือนกันไปเหมาบ้านป่าไม้เช่าบ้านป่าไมา้ามายอยู่เป็นเดือนก็มีนะไปอยู่บ้านไม่ได้มันออดแต่ต้องหนีเข้าป่าเข้าดงมูไปบางทีก็เท่งงารเท่งงานไปออกจากการจากการไปเลยมันไม่ มันไม่สู้มันอ่อนแรงไปเลยพวกสมถนะนี่ยมันไม่เข้มแข็งเราฝึกสมาธิเนี่ยฝึกวิปัสสนามันก็เป็นสมถะไตเบื้องต้นเฉยๆพอเรามาลู่รูปลู่น้ำนยมันจะเห็นอ่าอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนามันจะเกิดวิปัสสนาตอนที่ลู่รูปลู่น้ำเน่ยเข้าไปเน่เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลู่ลมน้ำ เห็นวัตถุเห็นอาการเอออันนี้เป็นปัญญาเลื่องปัญญาไปทางนี้มันไม่ใช่สมมมันไม่เป็นอุบายให้เกิดสมเฉรๆมันเลืองปัญญารู้เห็นพบเห็นเข้าไปตามความเป็นจริงตามความเป็นเท็จอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่นี่เราทำตรงนี้กันเพราะนั่นอย่าไปขี้อย่าไปรีดตัวเอง ก็บอกอยู่เสมอว่านอนให้มันพอจินให้มันอิม่มไปนอนไปนี่บ้างก็ดีอย่าอยู่แต่ในห้องถ้าอยู่ในห้องก็อย่าปิดประตูเกินไปหลวงพ่อเทียนเคยสอนเราเหมือนกันเราปิดประตูเวลาทำความเพียรอยู่ในห้องหลวงพอเทียนเดินมาแล้วงพอเทียนเดินมาก็เรียกเราว่าทำไรอีก กำลังสร้างจิตว่าณอยู่หลวงพ่ออเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นข้างนอกทําไงถึงจะเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูออกมาอันถ้าบิดประตูอย่างนี้เห็นแต่ข้างในใช่ไหยใช่ครับถ้าอยากให้ม่เห็นข้างนอกจะทําไงต้องเปิดประตูออกเอาเปิดประตูออกมาดูสิพอเปิดประตูออกมากติก็กลังเล็กก็เพิ่มไปเปิดประตออูเราก็นั่งอยู่ เห็นเรื่องนอกไหมบอ า, าเห็นเห็นเรื่องในไหมเห็นให้มันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปอยู่กับตัวเราจนนิง่งรู้อยู่เห็นข้นอกบ้างข้างนอกคืออะไรมันไปอะไรก็ได้มันจะหลงมันก็รู้มันจะตาเห็นก็รู้หูได้ยินก็รู้เห็นอะไรก็รู้มันรู้ไปข้างนอกไม่ใช่ไปคิดไปตะเพิ่พตะเพอ มันมีประสบการณ์กับความคิดก็ได้ปัญญาตัวนี้มันมีประสบการณ์กับความสงบก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยได้ได้บทเรียนทั้งสองอย่างผิดก็มีปัญญาถูกก็มีปัญญาทุ ก, ก็มีปัญญาสุข ก, ก็มีปัญญาจากนี้นะตอนเจียสอนกันอย่างนี้เลยแล้วพ่เขาพูดทุกวันเราคนพานโมสง เดี๋ยวนี้ก็ปูกป่ากันเนะอะเป็นงานยิ่งใหญ่กันมากนะไม่เคยเนึกฝันได้เลยว่าโปกอ่ากันปลกอะไรนรอบล้บวันเลยปลูกกันเสียเสียดนะรอบล้บวนไม่ใช่เรื่องน้อยนะหลายเป็นหลายพันต้นหลายหมื่นต้นเป็นหมื่นต้นรอบล้บวนเลยผมทําไม่ได้แล้วไม่มีปัญญาทำ ผูกลำดวนอีกตามถนนทางอีกอาจารย์ทรงเสียงกับผูกลำดวน้ า, านหินคงลงทำในงกลมเอาเหินปูลแล้วก็ผูกลำดวนต่อไปอีกสิบปีเดินจม ก, กลมรอบรานหินคลงจะหอมหินลำดวนสอนทำเท่านั้นบางที่วันมาคะผฝนไว้ตก เชิญเรามาเวียนเทียนที่ลานเห็นโงแสดงครับไม่ลัาไปนอนจะขั้งหนึ่งดีไหมมาปฏิบัติธรรมวันมาเคบูชาเป็นเดือนสามอาจจะได้บรรยากาศเรดีๆเป็นมรดกของเราพระพุทธรูปที่ปฏิษฐานที่นั่นเป็นอทองจำ ร, ริจทั้งแท่งตันเลยนะหนักมากจำลองมาจาก เมืองเราเรามาอยู่หนองคายเป็นรูปที่สวยงามที่สุดเป็นมรดกของพวกเราให้รื่นเริงบันเทิงในธรรมที่เป็นวัตถุบ้างที่เป็นสถานที่อะไรต่างๆไม่ใช่เราจะไปนั่งจอมผวกทันนาที่ไหนมีที่พักมีที่นอนมีอย่างนั้นการกินพอสมควรให้สะดวกซะหน่อยนะลาบากไหมขี้น้อยขี้ต้องอยู่ หากทำกูเนาะเห็นใจเห็นใจถึงนใจจามหารนะาก็เอาดีแล้วแล้วก็เสียสละแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พราเรา ท, ทําทีอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดถ้าเขาไหว้เราเราก็ไหว้ตัวเองได้เราก็ไหว้ยกมือไหว้คนเื่นเท่ากับยกไหว้ตัวเรา คนที่ยกมือไหว้ได้เนี่ยเขาไหว้ตัวเขาก่อนอ่อนน้อมในใจก่อนคนที่ทำคุณงามความดีเนี่ยแม่คนเดินไม่ยกย่องก็ภูมิใจยกมือไหว้ตัวเองได้อันนี้ขอให้เป็นคนดีทุกกรณีนะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามสมควรใจกำลังของเราเราก็สมควรใจเวลาอาจารย์โยยิพากรา